ทุกครั้งที่ท่านบูฟังลุกขึ้นจากที่นอนเมื่อไรก็ตามที่เรามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วจนะให้รีบลุกขึ้นทันทีการลุกขึ้นการตั้งจิตขึ้นนี่คือที่ข้าพเจ้าหมายถึงบางคนอาจจะมีอาการเจ็บป่วยทางร่างกายร่างกายจะต้องเอนกายนอนอยู่ต่อไปก็ตามแต่ว่าใจนั้นให้ลุกขึ้นให้ตั้งขึ้น คำว่าลุกขึ้นตั้งขึ้นตั้งใจิตใจขึ้นไว้นึ้นก็หมายถึงให้เราตั้งสติขึ้นนั่นเองอย่าเป็นผู้หลับไหลอยู่ต่อไปอย่าเป็นผู้ยินดีในการเคลิมหลับยินดีในการเอ็นข้างแต่ให้เป็นผู้ที่มีการตื่นอยู่เสมอการตื่นที่พูดถึงนั้นก็คือการให้เรามีสติตั้งขึ้นเอาไว้ในช่วงเวลาที่เราพบกันวันวันหนึ่งเนี่ย มือนแค่ประมาณ 1,800 วินาทีแต่ถ้าเจ้าให้เป๊ะๆก็หนึ่งพันเวินาทีประมาณ29นาทีเท่านั้นเองในช่วงประมาณ 1,700 วินาทีที่เราพบเจอกันเนี่ยจิตของเราในทุกวินาทีที่ผ่านไปให้เราตั้งอยู่ในกายจิตของเราอย่าให้ออกจากกายมีใจไม่คิดไปในภายนอกมีใจให้สงบอยู่ในภายใน แน่นอนแหละบางทีมันอจะมีความคิดเอ๊ะวันนี้ต้องไปทําอะไรวันนี้ต้องโทรหาใครหรือวันนี้ต้องไปไหนต่อวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะทำยัง ไ, ไงต่อไปความคิดต่างๆลักษณะจะมีมันมีแน่แล่ะเพราะว่าเป็นธรรมชาติของจิตที่เดี๋ยวไปคิดสิ่งนั้นเดี๋ยวไปสิ่งอื่น ล, ลิงโลดไปเหมือนกับวานอนที่เกาะเกี่ยวจากกิ่งไม้กิ่งนี้ปล่อยกิ่งนี้แล้วก็ไปสับอีกกิ่งหนึ่งเหมือนกันจริงขอเราจะเป็นลักษณะนั้น แต่ถ้ามันไปลิงโลดไปจิตใจเราก็จะวันไหวไปตามอารมณ์ที่มันก้าวลงไปพระเจ้าจึงเปรียบเทียบ ว, ว่าเอาเอาเชือกผูกมันเอาไว้เอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งที่ผูกลิงตัวนี้ไว้นี่แหละคือจิตของเราเอามาผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักอีกต่อหนึ่งอาการที่เราเอามาผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักนั่นก็คือการที่เราเอามาระลึกถึงลมหายใจเอามามีการตั้งสติเอาไว้ในกาย เสาเกินเสาหลักนั้นก็คือกายากรตาสตินั่นเองให้เราปักจิตของเราไว้อยู่ในกายให้เราตั้งสติของเราขึ้นโดยใช้ลมหายใจนั่นแหละเป็นฐานที่ตั้งแห่งจิตความคิดนึกมันมีแน่เป็นธรรมดาอาการรู้สึกตามขาตามแขนมันก็มีเพราะเรามีกายและมีหูมันก็ต้องได้ยินเสียงมีตามันก็ต้องเห็นรูปมีลิ้นมันก็ต้องรู้สัมผัสรับรสได้แต่ถ้าเรารู้สึก เห็นรูปได้ยินเสียงใจคิดนึกต่างๆแล้วไม่ลืมลงโลมายใจอันนี้ดีมากเพราะว่าอายตนะต่างๆภาษาต่างๆนมันเป็นหน้าที่ของมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้มันจะต้องมารวมลงที่ใจนี้ใจนี้จะต้องเป็นผู้ที่รับรู้ผ่านทางสัมผัสภาษาต่างๆแน่นอนแต่รับรู้แล้วนะให้ตั้งอยู่ให้ได้รับรู้แล้วไม่วันไวายไปตามสิ่งนั้นรับรู้แล้วนมีสติตั้งมั่นอยู่ นะการที่มีสติตั้งมั่นอยู่นั่นก็คือการที่มีเชือกผูกเอาไว้ชักโยงเอาไว้ลูกในที่นี้แตนะ่ไม่ใช่ผูกรัดรึงจงกนกระทั่งแน่นไม่สามารถไปไหนได้แต่ผูกไว้ในลักษณะที่ให้มีการควบคุมคือถ้าจิตของเราเนี่ยมันเป็นบังคับขู่เข็นมันมากเกินไปนะมันก็ปวดหัวได้เหมือนกันนะคือถ้าเป็นลักษณะปราลบความเพียรมากเกินไปพระเจาเคยเปรียบเทียบเหมือนกับการจับนกกระจาบ2อมือ แต่ปราลรบความเพียรมากเกินไปนั่นคือบีบนกกระจาบด้วยมือสองมือแน่นเกินไปนกกระจาบก็ตายแต่ถ้าบอกว่าปล่อยมันละหลวมเกินไปนกกระจาบก็บินหนีไปได้จริงของเราก็เหมือนกันแต่ถ้าไป ม, มีเครื่องควบคุมเครื่องที่จะให้มันอยู่ในร่องในรอยเหมือนกับลมหายใจของเราที่เป็นสติตั้งขึ้นไว้มันก็จะเที่ยวลิงลวดไปนั่นนี่ไปหาคิดนั่นพิจารณาเรื่องนี้เดี๋ยวมีปัญหาใหม่ แต่ถ้เปิด บ, บังคับกู่เข็นมันมากเกินไปบังคับให้จิตไม่คิดมันก็จะเกิดเป็นความเครียดขึ้นปวดหัวบังอาการต่างๆตามมาแต่ให้เราทําอย่างเป็นธรรมชาติธรรมฝังการตั้งสติขึ้นนี้นะเป็นธรรมอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตเรานัหนึ่งอย่างเวลาที่ท่านมูฟังขับรถหรือว่าทํางานอ่านหนังสือพิมพ์เรียนหนังสือสอนหนังสือประชุมในที่ทํางานก็ตามแต่ว่าจิตเราไม่ได้ มีที่ตั้งอยู่กับการงานบ้างทํางานอะไรก็แล้วแต่เราจะทํากับข้าวเขียนหนังสืออ่านหนังสือหรือพูดกับใครถ้าจิตเราไม่มีที่ตั้งอยู่ในการงานนั้นๆเนี่ยมันก็พูดกับไม่รู้เรื่องละ่ะมันก็ไปทําเรื่องใหม่ไปละ่ะขับรถก่อนหลงทางไปคิดนั่นนี่ชนตู้มตามขึ้นมาแต่เพราะว่าเรามีสติตั้งขึ้นในการงานได้การที่เรามีสติตั้งขึ้นตรงนี้ละ่ะชื่อว่าเรามีสติอยู่ในระดับที่เราทําการงาน เราใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในรายการทำรระบรุนเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะฝึกสติให้มีการตั้งขึ้นไว้ให้อย่างดีสติที่เราฝึกตั้งขึ้นไว้นี้คือเราใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งแห่งสติใช้กายของเราเป็นฐานที่ตั้งของสติเวลาที่ทำนั้นสติมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นสติอาจจะยังไม่ตั้งขึ้นแต่ถ้ามันจะตั้งขึ้นได้ลมหายใจนี่แหละจะเป็นฐาน ที่จะให้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าจิตของแต่ละคนเนี่ยแม่มันก็มีกําลังไม่เท่ากันนะคนที่มีกําลังจิตดีก็มีคนที่มีกําลังจิตไม่ดีก็มีในช่วงเวลาที่เรามาพบกัน1740งิวินาทีอาจจะทําได้แค่10บวินาที10วินาทีในความหมายถึงว่ามารู้อยู่กับลมหายใจรู้อยู่กับลมหายใจโดยที่ไม่มีความคิดอื่นๆใดมาเจือปนเป็นจิตที่ตั้งมั่นอยู่มีสมาธิอยู่ ที่เหลื อ, อีกหนึ่ิวินาทีแล้วก็ไม่ใช่ว่าอาจจะฟุง้งซ่านทั้งหมดไม่ใช่ว่าจะลืมลมหายใจทั้งหมดแต่ก็จะมีลมหายใจอยู่บ้างแล้วก็จะมีความคิดนึกเรื่องอื่นอยู่บ้างนั่นก็คือลักษณะที่สัตว์ทั้ง6ชนิดที่เอามาผูกไว้อยู่กับเสาเขือนเสาหลักมันยังมีกําลังอยู่พระเจ้าเคยประดิษฐ์เทียวไว้จำฝังเอาสัตว์6ชนิดมาผูกไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเอาปลายเชือกอีกเส้นหนึ่งไปผูกไว้กับเสาเขื่อนหรือเสาหลัก สัตว์เหล่านั้นที่มีกําลังอยู่มันก็พยายามที่จะดึงเชือกเพื่อกลับไปสู่ที่เที่ยวที่หากินของมันหนึ่งงูก็จะไปในจอมปลวกล่ะจระเข้ก็จะลงน้ํานกก็จะบินขึ้นฟ้าลิงมันก็จะไปป่าสุนัขบ้านก็จะเข้าบ้านสุนัขป่าก็จะใบป่าช้าแต่ตัวไหนอยู่ที่ไหนมันก็จะดึงไปทางนั้นตามันก็จะดึงใจเราไปหารูปหูมันก็จะดึงจิตเราไปหาเสียงจมูกก็จะดึงจิตเราไปหากลิ่นเป็นอย่างนี้ไป แต่ตัวไหนมีกําลังก็จะดึงจริงเราไปได้ความคิดนึกมันก็จะดึงจิงกัเราไปให้คิดเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แต่ถ้าเราไม่ลืมลงลงมหายใจนั่นคือมันพยายามจะดึงนะแต่ถ้าปลายเชือกอีกข้างหนึ่งผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักนั่นคือลักษณะที่เรามีความคิดอยู่แต่เราก็ไม่ลืมลงลงมหายใจในช่วงเวลาที่เรานั่งสมาธิสามนาทีหรือ1ชั่วโมงก็ตามอาจจะมีช่วงเวลาที่เราทําได้เต็มที่ นั่นคือจิตใจนั้นเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่มีความคิดฟุง้งซ่านใดๆผ่านเข้ามาเลยหรืออาจจะมีช่วงเวลาที่เรามีความคิดแล้วเราก็ไม่ลืมหลงมหายใจนั่นคือลักษณะที่สัตว์นั้นพยายามที่จะดึงเชือกไปแต่ปลายเชือกอีกข้างหนึ่งก็ยังผูกอยู่กับเสาเกินเสาหลักแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ดีลาทบฟังเพราะว่าเมื่อไรที่เชือกนั้นยังผูกอยู่กับเสาเกินเสาหลักเมื่อไรที่เรายังมีสติไม่ลืมหลงลมหายใจความคิดอาจจะมี แต่สิ่งนั้นก็จะค่อยอ่อนแรงลงไปแต่เหมือนสัตว์ที่พยายามจะดึงดึงดึงดึงแต่มันไม่ไปอ่ะเพราะมันมีเชือกผูกอยู่มันก็จะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงแต่บางทีมันเป็นงนี้ดึงเชือกจนขาดเนื้อเชือกขาดก็เข้าลักษณะว่าบางทีเราหลงลืมล ม, ลมหายใจลืมลมหายใจไปแล้วเผลอไปคิดเรื่องนั้นเผลอลุ่มห ล, ล, ล, ลงไปนการเพลินลุ่มหลงไปโดยที่ลืมลมหายใจก็เข้าลักษณะว่าสัตว์นั้นมันดึงไปจนกระทั่งเชือกมันขาด เราถ้าเชื่อขาดอย่างนี้แล้วเป็นยังไงวิธีแค่ก็คือนึกได้เมื่อไหร่ก็เอาเชือกมาผูกใหม่เท่า น, นั้นเองต้องฟังง่ายมากเหมือนกันเวลาที่เราหลงลืมลมหายใจไปแล้วเผลอเลอะไปแล้วเปลิดเปลินไปแล้วเราลึกได้เมื่อไหร่ระลึกได้เมื่อไหร่ก็ให้กลับมาลึกถึงลมหายใจอยู่อย่างเดิมการที่เรากลับมาลึกถึงลมหายใจนี้ก็เท่ากับว่าเอาปลายเชือกที่มันขาดไปแล้วนั่นนะ่ะมาผูกกับเสาเกอนเสาหลักอีกครั้งหนึ่งลักษณะอย่างนี้ เราระลึกได้เอามานึกถึงลมหายใจมันจะเผลอเลอลืมหลงไปไม่เป็นไรแต่ทุกครั้งที่เราผูกจิตของเราเอาไว้อยู่กับลมหายใจพยายามที่จะตั้งสติของเราขึ้นให้มาระลึกถึงมีสติตั้งขึ้นเอาไว้แต่ทุกครั้งที่เราเป็นอย่างนี้สติของเราก็จะมีกําลังมากขึ้นสายชนิดนั้นอสยตระนั้นก็จะอ่อนแรงลงไปนะคําว่าอ่อนแรงลงไปนี้หมายความว่าการที่มันจะมาดึงจิตเราให้ไขว้เขวไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ มันก็จะน้อยลงนาะน้อยลงน้อยลงจิตเรามีกําลังมากขึ้นมากขึ้นสติมีกําลังมากขึ้นแต่การที่สติมีกําลังมากขึ้นนั้นกุศลธรรมตั้งขึ้นได้นะคือท่านผู้ฟังบางคนอาจจะมีความคิดว่าโอ้ยฉันทําไม่ได้มีความคิดมากเหลือเกินอันนี้เราต้องมาแยกแยะดูว่าไอ้ช่วงเวลาที่เราอาจจะคิดฟุ้งซ่านคิดนั่นนี่เอ๊ะมันเป็นความคิดแบบไหนนะเป็นลักษณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ไหมคือถ้ายังมีความคิดแล้วยังไม่ลืมโลมหายใจ อันนั้นไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าก็เหมือนกับลิงนั่นแหละลิงถูกผูกเชือกอยู่แต่มันดึงอยู่เชือกตึงอยู่แต่เชือกไม่ขาดการที่เชือกไม่ขาดนั้นก็คือการที่เรายังมีสติในลมหายใจการที่ลิงพยายามดึงเชือกนั้นก็คือการที่เรามีความคิดนึกนั่นนี่นู่น่น้บ้างก็ธรรมดาอาจจะมีความคิดนึกก็เป็นเรื่องของจิตที่มันจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้ามีความคิดนึกที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่ลืมหลงลมหาย hmm ใจอันนี้ดีมากเลย แล้วถ้ากอกว่าบางทีมันคิดนึกไปแล้วลมหายใจไม่มีเผลอ ER, เลอ ER, ะลืมหลงลมหายใจไปก็ไม่เป็นไรเหมือนกันแตวเราก็เอาเชือกมาปลูกใหม่ในช่วงเวลาที่เรานั่งสมาธิอยู่ประมาณ30นาทีเนี่ยบางคนอาจจะนั่งสมาธิทำจิตให้สงบได้แตชนิดที่เรียกว่าจิตสงบเป็นอารมณ์มันเดียวไม่มีความคิดใดๆเลยเงียบเย็นสบายอยู่ได้สัก2นาทีสมมตินะนี่สมมติส่วนอีก3นาที แต่เป็นปช่วงเวลาที่มีทั้งความคิดด้วยมีทั้งลมหายใจด้วยปนปนกันอยู่นั่นก็คือจะพูดว่าทําได้5นาทีก็บางกันเถอะนะทําได้อย่างดีๆเนียเน้ยบก็สองนาทีทําได้อย่างมีความคิดบางก็สานาทีส่วนอีก25นาทีเนี่ยลืมหลงลมหายใจไปเราจะทํายังไงให้ชอบ2นาทีหรือ5นาทีนี้ขยายขึ้นมานนเราก็าพยายามที่จะมาตั้งจิตของเราขึ้นเราลืมหลงลมหายใจ เมื่อใดรเราระลึกได้นึกได้เราก็ให้มาระลึกถึงนึกถึงรวมใจของเราอีกครั้งหนึ่งแตนะ่ประเด็มันคือตรงนี้ทำฝั่งแต่บางคนอาจจะคิดว่าฉันทําได้แค่2องนาทีอีกยี่สินาทีทําไม่ได้ก็เลยคิดว่าโอ้ฉันทําไม่ได้เลยก็เลยเลิกนั่งสมาธิอันนี้เขาใช่ไม่ถูกแตนะ่เพราะอย่างน้อยเรายังทําได้2นาทีจริงๆอ่ะถ้าจะพูดให้ถูกทําได้5นาทีเพราะอีก3นาทีนั้นก็ยังเรียกว่ามีสติอยู่แต่มีสติชนิดที่มีความคิดด้วยใช่ไหม เราจะทำไงให้เจ้า2นาทีหรือ5นาทีนี้ขยายขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาแต่คือถ้าเราเลิกเลยเราไม่ทำเราไม่นั่งเราไม่สนใจสองนาทีเราก็ไม่ได้อย่าพูดถึงเลยว่า5นาทีเพราะฉะนั้นไอาการที่เรามาทำความเพียรพยายามที่จะทำกุศลธรรมในที่นี้คือสติเนี่ยสัมมาสมติเนี่ยให้มันเกิดขึ้นเนี่ยการที่เราทำความเพียรตรงนี้นี่เป็นสัมมาวิยามะในขณะที่เราทำ พยายามที่จะทำจิตขอเราให้ตั้งมีสติขึ้นสติมันอาจจะยังไม่เกิดแต่ในการที่สติมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นยังไม่ตั้งขึ้นนั้นแต่มันก็อยู่ที่อินทรีย์นะอยู่ที่กําลังจิตกําลังใจของแต่ละคนแต่ละท่านว่าปฏิบัติอย่างจริงจังขนาดไหนทําอย่างต่อเนื่องหรือไม่ทําอย่างถูกต้องหรือเปล่าแต่ถ้าเราทําอยู่อย่างต่อเนื่องทําอยู่อย่างถูกต้องแล้วผลมันจะต้องปรากฏแน่นอนพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้หลายอย่างในบ้าง เหนกับการที่รีดนมจากนมของวัวแม่โคลูกอ่อนก็ต้องได้นมนล้นะหรือถ้าเราจะปั่นเนยจากนมที่หมักเป็นเยื่อแล้วมันก็ต้องได้เนยแต่ถ้าเราทำถูกวิธียังไงจิตของเราก็ต้องมีสติขึ้นตังได้ถ้าเราทำถูกวิธีสติที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดเป็นสมาธิได้เพราะนี่เป็นกระบวนการขั้นตอนที่แม้แต่โพธิสัตว์คือพระเาของเราก่อนการตรัสรู้ก็ทำมาอย่างนี้ เหล่าพระอาารรณ์ทั้งหลายที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติมาอย่างนี้ละ่ะแต่ก่อนที่เขาจะมาเริ่มทําความเพียรทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างก็มีศรัทธามีความมั่นใจในคําสอนมาลองทําดูท่านพระมหาโมกขละนะตอนเริ่มทําความเพียนแรกๆแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของทีนมิทะคือความง่วงซึมนั่งงโง่ห้วงอยู่พระพุทธเจ้ามาให้อยู่บายในการแก้ไขก็สามารถแก้ปัญหาได้ เรานั่งสมาธิพยายามทำสมาธิอาจจะมีความคิดนึกนั่นนี่โน่นผ่านเข้ามาก็ธรรมดานะธรรมดาเพราะว่าจิตอาจจะมีความคิดด้วยแต่เราไม่ลืมหลงลมหายใจถ้าเราลืมหลงลมหายใจไปเราก็ตั้งขึ้นใหม่ระลึกถึงใหม่กระบวนการนี้คือการที่เราพยายามทำนะทำจริงทำให้ถูกทำให้เป็นแตนะ่ไม่ต้องบังคับจิตว่าจิตเราจะต้องไม่มีความคิดนะเพราะถ้าบังคับความคิดแล้วมันจะปวดหัว แต่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยเปลอเปลินไปตามความคิดนั่นก็ไม่ใช่แต่ให้ทําให้ถูกคําว่าทําให้ถูกนั้นคือเราให้สนใจอยู่กับสติให้สนใจอยู่กับลมหายใจของเราถ้าเราไปสนใจเรื่องตรงไหนท่านฟังจิตเนี่ยถ้าผูกว่ามีความดําริในเรื่องใดๆมันก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเรามีความคิดความดําริในเรื่องของที่เป็นไปในทางอากุศลและวจิตเราเมื่อก็จะน้อมไปในทางนั้น เดยไปคิดฟุ้งซ่านบ้างง่วงบ้างอยากบ้างไปเรื่องหม่ไปละแต่ถ้าบอว่าเรามีความคิดความดำริในการที่จะตั้งสติขึ้นได้มีความคิดความดำริในการที่จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นจิตเรามันจะน้อมไปในต่างนั้นๆางนั้นแต่เราพยายามจะมาสนใจลงหมายใจอย่าไปกังวลหรืออย่าไปรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจว่าฉันทําไม่ได้ฉันทาไม่เป็นให้ฉันทาถูกหรือไม่ ก็ทดลองจับจมูกดูแล้วมันยังมีลหมหายใจเข้าลหมหายใจออกอยู่ในโพรงจมูกเนี่ยแล้วเรายังรับรู้ถึงสัมผัสของลงหมหายใจได้เราลึกรู้ตั้งจิตอยู่ตรงนี้ได้เราเชื่อว่าทำถูกแล้วจำฟังเนี่ยเพราะเรามาระลึกรู้ถึงลงหมหายใจเราดํารงสติของเราไว้เฉพาะหน้าคนที่อยู่ในเสนาสนะอันสงัดอาจจะเป็นเรือนว่างห้องว่างของเรามาตั้งสติขึ้นไว้เฉพาะหน้าระลึกถึงลงหมหายใจอยู่ ถ้าทำไปอยู่เรื่อยๆอย่างนี้สนใจอยู่ตรงนี้ยังไงสติมันก็จะต้องเกิดขึ้นอาจจะทําได้นิดๆหน่อยๆอ่ะมันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปใช่ไหมบางวันอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอมีงานนั่นนี่เครียดบ้างอา่ะสติอาจจะตั้งขึ้นไม่ได้อาจจะหละล้วมไปบางวันก็พักผ่อนเพียงพอใจสบายสติตั้งขึ้นได้ดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็อยู่ที่ความชานาญประเด็นหนึ่งของความชานาญก็มีส่วนด้วยเราจะทำไงใ ห, ให้มีความชานาญคนที่เป็นช่างเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นช่างทำอะไรก็แล้วแต่ะช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างทําขนมเขาทําแล้วจะมีความชำนาญได้เนี่ยเขาทำบ่อยๆนะท่านฟังรวมถึงนักกีฬาด้วยนะนักกีฬาที่จะเป็นนักกีฬามืออาชีพได้เนี่ยเขาก็ต้องฝึกบ่อยๆและทําบ่อยๆฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆความชานาญมันก็ดีขึ้นมันก็จะมาตรงกับพุทธพจ์ตรงนี้แหละที่ว่าคนที่ถ้าเราระลึกตรีตรึกในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้น ถ้าเราตรึตรกคิดถึงนึกถึงในเรื่องที่จะหลุดออกจากกามแลนะซึ่งในที่นี้คือการที่เราพยายามจะตั้งสติขึ้นเราดําริคิดพยายามที่เอาใจจดใจจ่อในเรื่องนี้สติของเรายังไงก็จะต้องตั้งขึ้นได้เพราะจิตมันจะน้อมไปด้วยอาการอย่างไนั้นถ้าจิตมันน้อมไปแล้วแต่มันก็จะเริ่มเป็นอัตโนมัติมากขึ้นมันก็จะเริ่มมีความจำนานมากขึ้นบางคนเนี่ยแต่มีความจนานาแล้วนะแมดิดนิ้วปุ๊บเดียวแล้ก็เข้าสมาธิได้เลย เดีไม่ใช่ว่าเฉพาะอยู่ตอนที่จะต้องนั่งหลับตาในห้องเงียบๆ บ, บางคนก็ทําได้ในทุกที่ทุกสถานขับรถอยู่ก็ทําได้ทํางานอยู่ก็ทําได้เรารู้โร่หมายใจไปด้วยก็พูดไปด้วยก็ได้แต่ถ้ามีความชำนาญทําได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราให้ฝึกให้ดีทําให้ดีทําอย่างดีท่านฟังทําอย่างให้ชนานาญทําอย่างประณีตคําว่าทําอย่างดีทําอย่างประณีตนั้นก็คือให้มีความสนใจความสนใจที่เราใส่เข้าไปในงานที่เราทําตรงนี้แหละ เรียกว่าการทำจริงคนที่มีความสนใจใส่ใจในการงานทำอย่างจริงจังทำอย่างประณีตทำอย่างที่เรียกว่าไม่ขาดสายทำอย่างติดต่อทำอย่างต่อเนื่องนี่เเรียกว่าทำจริงคนทำจริงก็คือการทำความเพียรนั่นเองกเรียกวิริยะคือการทำจริงเราทำจริงอยู่ในช่วงเวลาที่เรามาพบกันในการฟังธรรมะทุกๆวันทาให้ดีทาให้ถูกทาให้เป็น นะโดยการที่เราอย่าไปสนใจเรื่องราวอื่นๆที่จะเข้ามาเป็นเรื่องกวนใจที่จะเข้ามาเป็นเรื่องทําให้จิตมีความฟุ้งซ่านความงุนงงความที่จะทําให้มีความง่วงซึมแต่แต่ให้คิดถึงระลึกถึงเรื่องที่เป็นสติจะทําให้สติตั้งขึ้นได้เช่นเรื่องของลหมหายใจบ้างหรืที่เป็นกายของเราอันหนึ่งหรือการพยายามที่จะทําความคิดในการปรุงแต่งทางจิตให้มันสงบระงับลงไป การทําความคิดการบรุงแต่งทางจิตให้สงบระงับลงไปนั่นก็เป็นความรู้สึกแต่ที่เราจะทําให้มันระ ง, งับลงระ ง, งับลงทาจิตให้มีความตั้งมัน่นขึ้นตั้งมัน่นขึ้นอย่าให้มีความน้อยเนื้อต่ําใจอย่ายให้มีความไม่พอใจว่าทำไมฉันเป็นอย่างนี้ฉันทําไม่ได้อย่าให้มีความคิดเชนั้นดต่เพราะว่าถ้าเราคิดไปทางนั้นแสดงว่าจิตเราคิดไปทางนั้นแล้วถ้าเรามีความคิดไปในทางนั้นเดี๋ยวจิตมันจะน้อมไปตรงนั้นแต่เราก็อย่าไปคิดตรงนั้น แต่ให้เรามาคิดถึงว่าจะทําอย่างไรให <bra in. S 1> ้จิตของเราตั้งสติขึ้นได้ก็มาคิดถึงตรงที่เป็นสตินั่นเองมาคิดถึงตรงที่เป็นลมหายใจนั่นเองหาเราคิดถึงเรื่องใดๆมากจําไม่เลยทู้งฝั่งเราตริตึกในเรื่องใดๆมากจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อนให้คิดดําริถึงเรื่องที่มันจะเป็นความดีความงามคิดดําริถึงเรื่องที่จะเป็นกุศลธรรมคิดดําริถึงเรื่องที่มันจะออกจากกาม คิดํำริถึงเรื่องที่จะเป็นไปในความเมตตาความที่จะตั้งสติ ข, ขึ้นเอาวไว้ได้กุศลธรรมต่างๆคิดดำริตรีตรึกต ร, กตรงนี้ใจของเราจะตั้งขึ้นได้เป็นสมาธิได้สมาธิที่เกิดตรงนี้แหละก็เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิเป็นความที่จิตมีอารมณ์เดียวตั้งมันขึ้นเอาวไว้อันเป็นผลของการที่เราพยายามที่จะเอาใจจดใจจ่อเป็นผลของการที่เราพยายามที่จะตั้งจิต ข, ขึ้นคนที่ทําอย่างดีทําอย่างประนีต ทาอย่างติดต่อไม่ขาดสายทำจริงๆตรงนี้คือความเปลี่ยนคนมีความเียนตั้งสติขึ้นได้แล้วสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนั้นจะเกิดขึ้นได้พอจิตของเรามีอารมณ์เดียวเป็นสมาธิแล้วสั้นก็ตามยาวก็ตามแต่บางทีอาจจะไม่ต้องยาวเป็นชั่วโมงละ่ะเอาว่าแค่ไม่กี่นาทีแต่คนที่เข้าสมาธิได้จริงๆเลยเนี่ยเอาแค่ว่าไม่กี่นาทีเนี่ยมันก็มีความชุ่มเย็นอยู่ในใจ มีความชุ่มยินอยู่ในใจในช่วงเวลาที่ไม่กี่วินาทีไม่กี่นาทีตรงนั้นอันนี้แหละเป็นอาหารของจิตะเป็นที่อยู่เป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าทัา้งหลายเราพระอริยเจ้าในอดีตที่ผ่านมาแล้วละท่านก็มีเครื่องอยู่อย่างนี้เราพระอริยเจ้าที่จะมาตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าในอนาคตหรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้ท่านก็มีเครื่องอยู่อย่างนี้อย่งเครื่องอยู่ก็คือมีสติตั้งเอาไว้มีใจเป็นอารมณ์เดียว และมีการทำจริงแน่แน่จริงในกิจการงานตรงนี้กิจการงานที่เราตั้งเราพยายามกระทำตรงนี้แหละด้วยวเป็นฐานที่ตั้งของจิตและจิตที่ตั้งอยู่บนฐานที่ตั้งอยู่ในฐานตรงนี้เรีวยกว่าจิตนั้นมีการรักษาเหมือนกับเมืองที่มีนายทวานเป็นผู้รักษาประ ต, ตูคอยป้องกันไม่ให้คนที่มันจะมาเป็นภัยคนที่ไม่รู้จักเข้ามาในเมือง ให้เฉพาะคนที่รู้จักจะทําประโยชน์ให้เข้ามาในเมืองได้เป็นนายทวารผู้ฉลาดนดายทวาร น, นั้นก็คือสตินั่นเองเรามีสติของเราตั้งขึ้นเอาไวา้เหมือนกับนายทวารที่รักษาจิตของเราให้ดีกายของเราจิตของเรานี้เป็นเหมือนเมืองเมืองหนึ่งพระเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้มีจิตเป็นเจ้านครมีใจเป็นเจ้าเมืองมีกายคือธาตุสีดินน้ำไฟลมนั้นเป็นเหมือนกับตัวเมือ ง, งที่เราจะมีจิตคอยรักษา ช่องทางที่จะเข้ามาสู่เมืองนั้นได้ก็มีทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจช่องทางที่เข้ามานั้นก็จะต้องมีนายทวารที่คอยรักษาจะเปิดประตูอาซานก็ไม่ได้มันก็ต้องมีคนคอยรักษาที่ประตูนายทวารที่คอยรักษาที่ประตูนั้นก็คือสตินั่นเองเราออกไปข้างนอกทำงานขับรถเรียนหนังสือหรือว่าอยู่บ้านทำงานบ้านหรือไปสวนทำการเกษตร ทำการเลี้ยงปศุสัต์เป็นข้าราชการฐานหรือบริเลืองก็แล้วแต่แต่ช่องทางนี้มันเข้าออกอยู่ตลอดเดี๋ยวคนโทรมารับสายแลีวติดต่อกับเพื่อนบ้านเดี๋ยวทํางานพิมพ์คอมพิวเตอร์เขียนหนังสือทําเอกสารมันต้องผ่านช่องทางนี้ตลอดเดี๋ยวคิดบ้างเดี๋ยวพูดบ้างเดี๋ยวเขียนบ้างช่องทางนี้มันผ่านเข้าผ่านออกตลอดตั้งแต่งถ้าบอกว่าช่องทางที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ตลอดนี้ไม่ได้มีการรักษาบ้างที่มันมีไส้สึดเข้ามานี่มันจะปั่นป่วนในเมืองเรา บางครั้งเพื่อร่วมงานบ้างหัวหน้า ง, งานบ้างสัตว์อื่นบ้างคนอื่นบ้างทําความเดือดร้อนให้เสีใจของเราเพื่อนสติเราจึงต้องฝึกเอาไว้ฝึกเข้าให้ดีกานฝึกสติก็อย่างนี้แหละอย่างที่เราทํามานี่แหละให้เราฝึกที่จะตั้งสติขึ้นโดยต้องใช้เครื่องมือเครื่องมือที่เราใช้นี้ก็เรียกว่าลมหายใจมีสติเป็นฐานที่ตั้งของจิตเราจะทําสติให้ตั้งขึ้นได้เราใช้ลมหายใจเป็นฐานเป็นเครื่องมือ การกระทําตรงนี้ก็เรียกว่าอาณาปานสติโดยใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งของจิตให้สตินั้นเกิดขึ้นสติที่เกิดขึ้นนั้นก็จะรักษาจิตจิตที่ได้รับการรักษาอย่างนี้จะทําความเป็นอารมณ์เดียวให้เกิดขึ้นได้เมื่อจิตนั้นตั้งอยู่บนฐานมีความเป็นอารมณ์เดียวเกิดขึ้นได้แล้วแล้วก็จะมีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องเจอผัสสะประสบกับสิ่งใดพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตาม ก็สามารถเป็นผู้นิ่งเฉยสบายใจอยู่ได้โลกใบนี้ท่านผู้ฟังมันธรรมดามีทั้งสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจเกิดขึ้นอยู่ทั้งวันร้อนบ้างเย็นบ้างหนาวบ้างอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงไปผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปแต่จิตของเรานั้นให้สบายอยู่ในภายในเราจะทําจิตของเราให้สบายอยู่ในภายในได้ให้มีสติเถอะสตินี่แหละจะเป็นที่รักษาของจิตนั่นเองให้จำไว้เลยท่านผู้ฟังจิตเนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่สติ ถ้าจิตไม่มีสติเป็นที่เล่นไปสู่ไม่มีสติรักษามันก็จะไหลมันก็จะเผลอมันก็จะเปล ER, ินปล ER ไปตามอินทรีย์ที่มากระทบอินทรีย์ทั้งหลายจำไม่ดีมันจะเป็นที่เล่นไปสู่จิตมันจะคอยที่จะดึงเกี่ยวรั้งผูกจิตของเราไว้ให้อยู่ในสังสารวัตรให้อยู่ในภพให้อยู่ในเครื่องข้องต่างๆถ้าจิตเราไม่มีสติเป็นที่ตั้งมันก็จะไหลไปตามอินทรีย์ที่มากระทบ ภาษาต่างๆพระเจ้าจึงบอกว่าจิตนี่แหละเป็นที่เล่นไปสู่สติจิตที่มีสติรักษาสตินี่แหละเธอมาฟังจะพาจิตไปสู่ความมิมุติหลุดพน้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นเป็นอิสระจากเครื่องผูกเครื่องข้องหลุดพ้นเป็นอิสระจากสิ่งที่มากระทบเราเห็นของที่ชอบใจของที่ไม่ชอบใจเราก็ยังเย็นใจอยู่ได้ ไม่ได้จําเป็นต้องเป็นไปตามอํานาจของสิ่งที่มากระทบนั้นนี่แหละก็เรียกว่าความหลุดพ้นความพ้นพ้นจากการที่จะต้องตกอยู่ในอํานาจของสิ่งที่มาเจ้าคอยควบคุมจิตของเราจิต ท, ที่พ้นอย่างนี้คําที่พระเจ้ า, ชาใชนะ้คือคําว่าวิมุตติวิมุตตินี่แหละธรรมฟังจะทําให้พาจิตของเราไปสู่ความเย็นคือนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่นิพพานจิตเป็นที่แลื่ น, น, น, ลนไปสู่สติ สติเป็นที่เล่นไปสู่วิมุตต์วิมุตต์เป็นที่เล่นไปสู่นิพานเราฝึกจิตของเราให้มีสติอยู่เรื่อยๆมันจะค่อยพ้นทีละเปราะสองเปราะพ้นจากเรื่องนี้พ้นจากเรื่องนั้นพ้นจากเรื่องผูกต่างๆพ้นเปราะนั้นพ้นเปราะนี้จนพ้นหมดนั่นแหละพ้นหมดเมื่อไหร่เชื้อหมดเมื่อไหร่ก็เย็นสบายใจอยู่ขงในนั่นคือนิพานนิพานที่เราเห็นได้ด้วยตนเองนิพานที่เรารู้ได้สัมบัติได้ในใจของเรานี้ ให้จำไว้เสมอท่านผู้ฟังเวลาบางทีเราทำเราปฏิบัติจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างอย่างไรก็ตามขอให้ทำความเปลี่ยนแต่ขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำเพราะว่าทำแล้วอย่างน้อยมันยังได้คะแนนความเปลี่ยนคะแนนความเพี่ยนมีมากขึ้นมากขึ้นความชํานาญมันก็เกิดขึ้นได้มีความชํานาญแล้วเราทําจริงแล้วแต่สติก็ตั้งขึ้นได้สติทําขึ้นบ่อยๆให้มีความชํานาญสมาธิก็เกิดมีจิตเปน็นอารมณ์อันเดียวเราจะพ้นได้ เราจะบางได้เราจะเป็นอิสระจากสิ่งต่างๆที่มากระทบได้เมื่อเป็นอิสระแล้วเราจะมีความเย็นใจอยู่ในภายในมีสิ่งใดมากระทบเราก็ อ, อยู่เหนืออำนาจของสิ่งนั้นได้ความที่เราอยู่เหนือนั่นคือโลกุตระนั่คือเหนือจากการที่จะต้องเป็นไปตามอำนาจของทางโลกเหนือจากการที่จะต้องขึ้นขึ้นลงๆสุขบ้างทุกบ้างอย่างที่โลกก็มีกันเป็นผู้ที่เย็นอยู่ในภายในในวันนี้ข้าพเจ้าพระมหาภัยบูรณ์ พี่บุญโนจากวัดป่าดดนหายโศกก็ขอลาไปก่อนจริญพร